13. ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่นำเรื่องนี้ขึ้นมาวิจัยต้องขออภัยจริงๆนะที่อาจจะมาวิจัยวิจารณ์แต่ด้วยความจริงใจที่โงนซึ่งหมายใจให้เป็นการศึกษาสำหรับผู้ควรได้รู้และผู้สแสวงหาความรู้ความจริงอันมีอยู่มากมายในโลก รวมทั้งอาตมาก็ผู้สแสวงหาที่สุดแห่งความรู้ความจริงจริงดังที่ได้เกริ่นแจ้งมาแต่ต้นแล้วด้วยความคารวะเกรงใจยิ่งกรุณาอย่าเข้าใจผิดว่าอาตมาลบหลู่ดูถูกแต่อย่างใดเลย อาตมามีความรู้เท่านี้และรู้สึกอย่างนี้จริงๆชงดนอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้อย่างจริงใจจริงๆหากใครใดมีความรู้ในความจริงที่ถูกต้องยิ่งกว่านี้ก็กรุณาเถิดเสริมหนุนให้อาตมาได้รู้ความรู้ความจริงนั้นด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง อาตมาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้ลบหลู่ดูถูกใดๆเลยอาตมาเคารพเชิดชูศาสนาทุกศาสนาว่าท่านมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทุกศาสนาแต่ละศาสนาเท่าที่ท่านมีให้แก่มวลมนุษยชาติกันอยู่ตลอดมา อาตมาขออภัยอีกครั้งและขอคารวะขอโอกาสแสดงความรู้อันเท่าที่อาตมามีนี้ด้วยเถิด